จริ ง, รงธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับยากเห็นอะไรนักหนาเรากมันเป็นเรื่องประณีตเรื่องลึกซึง้งลึกซึ้งกับลึกลับไม่เหมือนกันบางคนชอบทำธรรมะให้ลึกลับธรรมะของพระพุทธเจ้าเปิดเผยตรงไปตรงมามีเหตุมีผลใครๆก็โต้แย้งไม่ได้อย่างท่านบอกเลยท่านประกาศธรรมจักขึ้นมาเนี้ เมื่อกวงล้อของธรรมจักเคลื่อนไปแล้วไม่มีใครต้านทานจะต้านทานได้ไงมันเป็นธรรมะที่มีเหตุมีผลไม่ใช่เรื่องงมงายนี่อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังแค่ไหนได้ฟังครั้งแรกแรกถ้าบารมีของเราโดยเฉพาะปัญญาบารมีเราไม่พอก็เข้าใจยากหน่อยอาศัย ความงมงายเก่าๆสะสมมามีความเชื่อที่ผิดๆมากมายที่ต้องแก้ไขอย่างคนไทยเราเนี่ยที่ว่านับถือาศาสนาพุทธนับถือพุทธเยมันไม่ใช่พุทธแท้ๆเป็นพุทธที่ปนกับความเชื่อเก่าๆเก่ามาก่อนพระพุทธเจ้าออกความเชื่อความนับถือพูดผีปีศาจ ต่อมากย็ยกระดับพูดผีปีศาจขึ้นเป็นเทวดาเป็นพระเจ้าเป็นอะไรไปพุทธเจ้าสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเราก็เชื่อเรื่องพรหมลิขิตอย่างนี้ท่านสอนอย่างมีเหตุมีผลทํากรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเราก็เชื่อเรื่องดวงเรื่อง เคราะห์เรื่องโชคเนี่ยมีอย่างนี้เยอะเลยพุทธเจ้าสอนจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเราก็เชื่อว่าถ้าตายแล้วจิตจะออกจากร่างจิตดวงเดิมแหละไปเข้าร่างใหม่เนี่ยมันมีความเชื่อที่ปนเปื้อนอยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนานเนี่ยเยอะแยะไปหมดคนก็นเชื่อวันนี้ผ่านเป็นโลกโลกหนึ่ง นั่นเป็ลัทธิของศาสนาอื่นวาดภาพพระพุทธเจ้าก็คือตัวแทนเป็นพระเจ้านั่นเองอยากมีพระเจ้าก็สร้างพระพุทธเจ้าให้เป็นพระเจ้าปรินิพพานแล้วก็ไปอยู่ในสวรรค์พวกเราภาวนาแล้วเราก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในสวรรค์อย่างนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะเต็มไปหมดเลย เราได้รับการถ่ายทอดมาทั้งทางตร ง, งทางอ้อมทางอ้อมคือเราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังตามวัดมาต่างๆก็เต็มไปหมดมีพิธีกรรมไหว้เทวรูปสะดาะเคราะห์ต่อชะตาไม่ใช่เรื่องพุทธสักเรื่องหนึ่งแต่สมาชิกแบบนั้นเยอะนะ สมาธิของชาวพุทธแท้ๆที่จะฝึกเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญามีไม่มากนี่เราเคยได้ยินได้ฟังแต่ของปนเปื้อนเราไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรจริงๆจริงคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดรวมลงอยู่ในธรรมะอันเดียวรวมลงในธรรมะอันเดียวได้คืออริยสัจสี่ ถ้ายังมีผู้รู้จากอริยสัจสี่อยู่ศา ส, สนาพุทธก็ยังอยู่อริยสัจสี่หายไปแล้วนะมันก็ไม่เป็นพุทธจริงแนละ้วชาวพุทธทุกวันนี้จะมีสักกี่คนสนใจอริยสัจสี่เราสนใจไปไหวโน้นไหวนี้มากกว่านะไหวกระทั่งสัตว์ประหลาดทิ้งจกสองหางเราก็ไหวนะ หัวสี่ขาห้าขาสี่ขาไม่ไหวหัวห้าขาหัวสามขาเราก็ไหวเราไหวกระทังสัตว์พิการเอาสัตว์พิการมาเป็นสาระเอาต้นไม้พิลึกพิลึ ก, ลกมาเป็นสาระนิสัยอย่างนี้มันเป็นมาตลอดเป็นธรรมชาติที่อ่อนแอของมนุษย์ มีพระสูตรอยู่นั้นท่านบอกว่าคนทั้งหลายเวลามีความทุกข์นะก็ไปไหว้ภูเขาบ้างต้นไม้บ้างจอมปลวกบ้างลุคเทวดาบ้างนะหวังว่านี่จะเป็นสลณะเป็นที่พึ่งนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมที่พึ่งที่ปลอดภัยเลยใช่ไหามานเงี้ยกนะ็ถึงพระพุทธธรรมประสงค์ที่แท้จริง งันสิ่งที่เราจะมาเรียนกันต่อไปนี้เนะี่ยคือเรียนที่จะล้างมิจฉาทิฏฐิออกไปเรียนที่จะสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาไม่ใช่เรียนเพื่อล้อัตตาตัวตนนะบางคนบอกมาปฏิบัติธรรมเพื่อล้างอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนไม่เคยมีมาแต่ไหนแต่ไรไม่ต้องล้างสิ่งที่ล้างคือล้างความเห็นผิดว่า ม, มีอัตตาตัวตนล้างความรู้ผิดความเข้าใจผิด สร้างความรู้ถูกความเข้าใจถูกขึ้นมาถ้าใครเ็าถามเราว่าอะไรเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาต้องตอบได้สมาธิคือ เ, เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาถ้าเรามีสมาธิแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเราจะรู้จากโลกตามความเป็นจริงสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือร่างกายยาวประมาณหนึ่งวาวาคือแค่นี้ของไขรของมัน แต่ละคนวาไม่เท่ากันไม่ใช่วามาตรฐานร่างกายยาวประมาณหนึ่งวาหนาประมาณหนึ่งคืบกว้างประมาณหนึ่งศอกโดยประมาณมีสัญญาคือมีการจำได้หมายรู้มีใจคือมีความรับรู้ครอบครองอยู่เนี่ยคือคำว่าโลก เราไปเรียนรู้โลกให้แจ่มแจ้งเป็นโลกกวิถูพุทธเจ้ารู้โลกแจ่มแจ้งเป็นโลกกวิถูบางคนได้ยินว่าพุทธเจ้าเป็นโลกกวิถูเขาไปคิดนะว่าท่านรู้โลกต่างๆหมดเลยในโลกเราประกอบด้วยแร่ธาตุอะไรก็ไดสิ่งเหล่านั้นท่านไม่สนใจความรู้แบบนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ขอบเขตที่ท่านสอนนี่เป็นเรื่องความทุกข์กับการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นเอง งี้เราจะมาเรียนนะจะสร้างสมาทิฐิขึ้นมาเราเห็นแท้ความจริงแท้ในโลกคือในรูปนามกายใจนี้พอเห็นตามความจริงจริงก็จะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือหมดความยึดถือก็หลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดการที่จิตเที่ยวหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวกูของกูอะไรก็หมดไป การประพฤติปฏิบัติธรรมก็ทําเสร็จแล้วไม่ต้องทําอีกแล้วไม่เหมือนงานทางโลกงานในทางธรรมนี้ถ้าเราเรียนเจอกระทั่งสมาธิที่เกิดแล้วก็จบกันตรงนั้นแหละ ง, งานทางโลกไม่มีที่สุดหุงข้าวกินแลกินข้าวหมวนล้วล้างถ้วยล้างชามเตรียมหุงข้าวอีกแล้ววนเวียนอย่างนี้ไปทํามาหากินได้เงินเดือนมาก็กินไปก็ไม่ทํามาหากินีตลอดชีวิตก็ทําอย่างนีน้งานทางโลกไม่มีวันจบ งานทางธรรมนั้นถ้าได้สมาธิิมาก็จบตรงนั้นแหละสมาธิฐเป็นความรู้แจ้งอริยสัจ ส, สตัวสําคัญเลยอริยสัจ ส, สี่พวกเรารู้จักไหมรู้จักทุกสมุทัยนิโรธมรรคไหมอะไรเรียกว่าทุกขสิ่งที่เรียกว่าทุกคือรูปนามนี่เองตัวขันห้าเรียกว่าตัวทุก์ ท่านสอนอกสังขิตเตนะปัญชุ ป, ปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปโดยสรุปลบยอดเลยขันทั้งห้าคือตัวทุกข์อาการปรากฏของทุกข์เป็นยังไงอาการปรากฏของทุกทางร่างกายก็คือความแก่ความเจ็บความตายมันแสดงให้เราดูแก่มันก็แสดงให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเจ็บนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าร่างกายนี้ทุกนะถูกบีบขั้น ตายนี่ก็แสดงให้เห็นความจริงว่าไม่ใช่ตัวใช่ตัวเนยหรอกเรายืมวัตถุธาตุของโลกมาใช้สุดท้ายก็ต้องคืนโลกไปความแก่ความเจ็บความตายมันแสดงอันนีจ้จางทุกขังอนัตตาในกายนี้ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักนี่เป็นเรื่องทุกข์ทางใจการประสบกับสิ่งที่ไม่รักนี่เป็นอาการปรากฏของทุกข์ทางใจความไม่สมหวังเป็นอาการปรากฏของทุกข์ทางใจ ความขับแค้นใจความไม่ได้อย่างใจความแห้งเหี่ยวแห้งใจนี่เป็นอาการปรากฏของทุกทางใจตัวทุกแท้ๆก็คือตัวรูปนามตัวกายใจตัวขันห้านี้แหละแล้วก็แสดงอาการปรากฏออกมาด้วยความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลาดจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักปรารถนาและไม่สมปรารถนาความขับแค้นใจความร่ําไรลําพันธ์ความเศร้าโศก ความเหี่ยวแห้งใจอนี่นี่เป็นอาการปรากฏที่มันแสดงตัวขึ้นมาคนทั่วๆไปก็จะเข้าถึงอาการปรากฏของทุกข์ได้ง่ายกว่าเข้าถึงตัวทุกข์แท้ๆอย่างเรารู้ว่าแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พลาดลาดเหสิ่งที่รักเป็นทุกข์เราเห็นอย่างนี้ดูง่ายเราไม่เห็นว่าเนื้อแท้ของตัวทุกข์คือรูปนามคือขันห้าคือกายคือใจเรานี่เอง ไม่มีกายแล้วใครมันจะแก่ใครมันจะเจ็บใครมันจะตายไม่ยึดถือในจิตใจแล้วใครมันจะไปทุกข์เพราะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเพราะการประสบสิ่งที่ไม่รักเพราะความไม่สมปรารถนาะกันเนื้อแท้แท้แท้เลยนะคือตัวขันห้าคือย่อลงมาก็คือรูปนามคือกายคือใจเรานี่เองสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะแยกไดห้หลายลักษณะแ ย, แยกได้หลายแบบ แยกเป็นขันห้าก็ได้เป็นรูปคือส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมส่วนที่เป็นนมามธรรมก็แยกออกไปได้อีกเป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์สัญญาความจำได้กับความหมายรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงเฉยๆกลางๆปรุงเข้าได้ทั้งดีทั้งชั่ว สมาธิเนี่ยเป็นสังขารที่เข้าได้ทั้งดีทั้งชั่วจิตที่ชั่วก็มีสมาธิจิตที่ดีก็มีสมาธิเกิดแก่จิตทุกดวงวิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจก็คือตัวจิตเองที่ออกไปรู้อารมณ์ไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจด้รับรู้ผ่านอะไรรับรู้จิตไปรับรู้รูปผ่านทางตานะมีตาเป็นเครื่องมือ จิตไปรับรู้เสียงผ่านทางหูมีหูเป็นเครื่องมือนะจิตไปรับรู้ธรรมอารมณ์ผ่านทางใจมีใจเป็นเครื่องมือแต่จิตกับใจก็อันเดียวกันนั่นแหละออกไปรับรู้แล้วก็จะมาถ้ามีมีชาทิฏฐิแล้วม่ปรุงทุกข์ขึ้นมาเอาวิชามีอยู่ไปสัมผัสโลกก็ปรุงทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่มีอาพิชาไม่มีความโง่ก็ไม่ปรุงทุกข์ขึ้นมา แยกเป็นขันห้าก็ได้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยแยกเป็นอายตนาหกก็ได้สิ่งที่เป็นตัวเราประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนี่ห้าอย่างนี้ส่วนของรูปธปรรมแล้วก็ใจคือส่วนของนามธรรมาแม้บางทีท่านก็แยกแบบมีรูปธรรมน้อยนามธรรมามาก บางทีก็รูปธรร ม, มมากนามธรรมน้อยแล้วแต่จริตนิสัยของคนฟังพวกชอบภาวนาดู ก, กายท่านก็สอนอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นส่วนของวัตถุพวกชอบดูรูปธรรมก็สอนตาหูจมูกลิ้นกายมีใจอันเดียวเป็นนามธรรมาถ้าพวกถนดัดดูจิตดูใจดูนามธรรมา ท, ท่านสอนขันห้านะมีรูปคือส่วนที่เป็นวัตถุนี้ นามมีนามตั้งสี่อย่างมีรูปอย่างเดียวแล้วพวกที่อยากรู้มากๆก็สอนเรื่องละเอียดขึ้นอีกเรื่องธาตุเรื่องอินทรีย์เรื่องปฏิจจสมุ ป, ปบาทนีพวกที่ชอบรู้เยอะๆพวกบางคนรู้น้อยไม่เอาน้อยเกินไปไม่สนุกต้องรู้เยอะๆ ธาตุมีทั้งรูปธรรมนามธรรมจํานวนมากสิ่งที่ธาตุไม่ใช่ไม่ใช่ธาตุทางวิทยาศาสตร์นะสิ่งที่ธาตุสิธาตุคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจรูปเสียงกยลิาา่นรสปวดทพ้าธรรมารมความรับรู้ทางตาความรับรู้ทางหูความรับรู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ66หกหกสธาตุอินทรีย์2ีสส่วนใหญ่จะเป็นนามธรรม ส่วนใหญ่เป็นนามนธรรมปฏิจจสุบัตมีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามนธรรมแหละแต่ว่าจำนวนมากไปลงรายละเอียดที่เป็นนามนธรรมก็มีทั้งรูปทั้งนามแต่ละคนนั้นผูเท่เจ้าสอนไม่เหมือนกันถ้าย่อขันหยายตนะหทธาตุสอินรียี่สสอปฏิจจสุบัติสิบ 12, 22, ย่อลงมานะ หรือรูปประธรรมกับนามธรรมาตนเองสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราคือรูปประธรรมนามธรรมานี่องหลวงพ่อก็ใช้คำว่าให้รูก้กายรู้ใจความจริงไม่ตรงทีเดียวนะคาว่ากายก็ไม่ตรงกับคำว่ารูปทีเดียวคาว่าใจก็ไม่ได้ตรงกับคำว่านามทีเดียวแต่เบื้องต้นสอนเบสิกนะอนุโลมไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปทาความเข้าใจให้ถูกต้องทีหลัง เริ่มต้นเต็มไปด้วยสัพ์มากมายพวกเราก็เรียนไม่ไหวนั่งท่องศัพท์เพื่อไม่เห็นสภาวะสักเนี่เราจะมาเรียนเรื่องกายเรื่องใจตัวเองนะกายใจนี้แหละขันห้านี้แหละคือตัวทุกข์พระเจ้าบอกทุกข์ให้รู้เราจะต้องมารู้ทุกข์มารู้ความจริงของรูปนามกายใจนี้รู้เราได้อะไรรู้แล้วก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือหลุดพ้น หลุดพ้นแล้วก็พ้นทุกไปตรงนั้นแหละศาสตร์ที่จะใช้เรียนรู้ความจริงของรูปนามของกายใจนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นศาสตร์ที่ใช้เรียนความจริงของรูปนามของกายของใจนี่วิปัสสนากรรมฐานอยู่ลอยๆเนี่ยไม่มีกาลัง ก็อาศัยการฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาเรียกว่าสมถ t กรรมฐานและเบสิกคือการรักษาศีลเบื้องต้นรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนจะทำให้ฝึกจิตฝึกใจง่ายคนไม่มีศีลจิตใจฟุ้งซ่านฝึกจิตใจยากเตรียมความพร้อมของใจไม่สำเร็จสักทีงั้นสิ่งที่เราเรียนนั้นจะมีสาบท ชื่ว่าศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาจิตสิกขาก็เป็นเรื่องของสมถะปัญญาสิกขาเป็นเรื่องของวิปัสสนางานหลักของชาวพุทธคือวิปัสสนากรรมฐานการรักษาศีลการฝึกจิตให้มีคุณภาพสําหรับการเดินปัญญาเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ถ้าไม่มีกําลังสนับสนุนอย่างนี้ทําวิปัสสนาทําไม่ได้หรอก เงี้ยเรารู้นะว่าอะไรเป็นงานหลักอะไรเป็นงานสนับสนุนงานหลักคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสมาธิทิได้สมาธิทิแล้วไม่ยึดถือไม่ยึดถือแล้วไม่ทุกข์นี่ก่อนจะมาได้สมาธิิก่อนที่จิตจะเจริญปัญญาได้ต้องมาเตรียมความพร้อมของจิตมีศีลมีสมาธินะหนุนกันขึ้นมาเป็นลําดับลําดับศีลเป็นการจัดระเบียบ ทางกายทางวาจาของเราให้เรียบร้อยสมาธิเป็นการจัดระเบียบจิตใจให้เรียบร้อยแล้วก็มีพลังในการที่จะเจริญปัญญาปัญญาก็เอาจิตใจที่เรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเนงานเป็นระดับรับรดับไปพอไหวไหมยังไม่เรื่องที่ต้องเรียนมีเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าให้ไปจุดทูบ ขอพระพุทธเจ้าขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมโอ้ยโง่หลายล้็ขอกันได้แล้วก็กบรรลุไปหมดแล้วล่ะนะมีไหมใส่บาตรสาธุใส่บาตรขอให้หมดโครคภัยไข้เจ็บ <c oughs> มีนะมีผู้หญิงคนหนึ่งตอนหลวงพ่ออยู่เมืองการมาใส่บาตรแล้วก็นี่ทุกข์นี่ทัพีที่สองโศก โรคภัยฝากโรคภัยไข้เจ็บให้หลวงพ่อไปให้หมดเลยนี่กินข้าวของแกเนี่ยนะนะสะเทือนใจมากเลยรู้ <c oughs> สึกโอ้ยมานเอายาพิษมาให้เราแท้ๆเลยนะอีกวันหลวงพ่อไม่สบายอาภาดตไปเลยบอกครูบาไปบอกชาวบ้านนะวันนี้ไม่ได้ไปบินทบาทหรอกไม่สบายไปละ ครูบาไปบอกนะอยกวันนี้แกอุทานเลยฮะพระก็ป่วยเป็นด้วยเหรอดูไม่ใช่ชาวพุทธเลยพระป่วยไม่เป็นนะบางคนก็พิลึกนะมีอะไรพิลึกพิลึกเชื่ออะไรที่ไม่มีเหตุผลนะอย่างเชื่อว่าถ้าภาวนาดีเราหยุ่งไม่กัดนะโทษครูบาอจารย์เป็นมาเรียเป็นแถวเลยเชื่ออะไรประหลาดตลาดมันต้องมีเหตุมีผลนะชาวพุทธนี่ ง, งมง่ายมาก นี่แค่อินโทรดักชันนะรู้อย่างต้องเรียนอะไรบ้างเรียนเรื่องศีลศิกขาจิตศิกขาปัญญาศิกขาแต่และเรื่องก็มีเนื้อหาแต่หลวงพ่อจะสอนแบบรวบย่อเราไปพอหนาแล้วไม่ค่อยแตกฉานขึ้นมาเองเรียนแล้วสุดท้ายได้สัมมาทิฏฐิจะไหมนะถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วจะไม่มีความทุกข์ในจิตใจอีกต่อไป ทุกทางร่างกายก็จะเหลืออยู่เท่าที่มีร่างกายอยู่วันที่ร่างกายแตกดับนั่นแหละคือวันดับทุกข์แล้วไม่มีเชื้อเกิดที่จะไปหาร่างกายใหม่จิตที่มีเชื้อเกิดก็คือจิตที่มีอวิชชาอยู่พอร่างกายนี้แตกจิตดวงนั้นก็ดับแต่มันเหนียวนำให้เกิดจิตดวงใหม่ในภพใหม่ขึ้นมาไม่ใช่จิตดวงเดิมออกจากร่างไปเกิดใหม่นะ ยี่เป็นวิชาทิฏฐิจิตมันก็ดับลงเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นขณะขณะไปตลอดเวลาเหมือนลูกโซ่คล้องกันไปเรื่อยๆล้วขาดแล้วก็ขาดความเชื่อมต่อลงไปเองนะขาดลงไปด้วยปัญญาเพราะปัญญาทำหน้าที่ตัดนะไม่ให้ขาดด้วยสมาธิสมาธิทาหน้าที่ ประคองไว้นะสติทาหน้าที่จับเอาไว้นะสภาวะธรรมแต่ละตัวทาหน้าที่ไม่เหมือนกันอย่ามัวนะมีเวลาเจ็ดนาทีพูดเรื่อง ศ, รรศรรีลสิกขาเบสิกเลยการรักษาศีลนั้นจะทำให้ใจสงบง่ายนะเป็นปัจจัยที่จำเป็นเป็นพื้นฐานที่จำเป็น มันคือการจัดระเบียบกายวาจาให้เรียบร้อยซะ ก, ก่อนก่อนจะถึงขั้นการฝึกสมาธิคือการจัดระเบียบจิตใจนะจิตใจดีแล้วก็เอาไปเดินปัญญาการที่คนเราทำผิดศีลนะก็เพราะกิเลสครอบงำจิตราคะเกิดขึ้นนะก็ไปฆ่าเขาก็ได้ไม่ใช่ชิงทรัพย์เขานะจะแย่งลูกแย่งเมียเขานะไปทำลายตัวเขา ทำลายสิ่งที่เขารักอันแรกเลยคือทำลายตัวเขาสิ่งข้อที่หนึ่งรู้อย่างว่าทำไมปานามา ก, ก่อนสิ่งที่เรารักที่สัตว์ทั้งหลายรักที่สุดคือตัวเองงั้นท่านห้ามเนี่นะท่านตีบตรงประเด็นเลยอย่าไปทำลายสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขารักสุดๆก็คือร่างกายของเขานี่เองอย่าไปขโมยเขา บางคนตอนยังหนุ่มสาวอยู่ไแฟนต่างหากสําคัญพอแก่แล้วสมบัติสําคัญกว่าแฟนอีกของที่รักมากแล้วทรัพย์สมบัติอย่าไปเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของเขานี่คือศีลข้อสองอะไรอีกที่เขารักที่คนทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายรักก็คนของเขาสามีเขาพัญญาเขาลูกเขาอะไรนี่สิ่งที่เขารัก อย่าไปเบียดเบียนเขาด้วยกันไปทำลายหรือทำร้ายคนที่เขารักอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีด่าว่าเขามันทำอะไรไปเบียดเบียนเกียรติยศชื่อเสียงของเขาเป็นสิ่งที่เขารักรู้อย่างศี่ห้าลึกขนาดไหนไม่ใช่ตื่นตื่นสงเดชรับทุกวันเลขอทุกวันไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร ท่านสอนอย่าให้ไปเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นนะเริ่มแต่ไม่เบียดเบียนชีวิตเขาไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของเขาไม่เบียดเบียนคนที่เขารักไม่เบียดเบียนชื่อเสียงเกียรติยศของเขาศี่ข้อ5อย่าเบียดเบียนตัวเองด้วยการขาดสติถ้าขาดสติแล้วจะไปเบียดเบียนคนอื่นได้ง่ายเขก็ไม่มีความรู้ถูกความเข้าใจถูกไม่มีเหตุมีผลอะไรทั้งสิ้นเลย เห็นไหมว่าสีลห้าจำเป็นสีลห้าสำคัญทุกวันนี้เรามองไปทางไหนสิบ้านเมืองร่มเย็นไหมทำ้ายกันเต็มไปหมดเห็นไหมช่วงชิงทรัพย์สินเงินทองกันหวังว่าได้เงินเยอะแล้วจะมีความสุขสูเหรอบ้านยังไม่มีอยู่เลยต้องไปอยู่ที่อื่นอยู่ในคุกอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ต่างประเทศไม่มีความสุขหรอกถึงว่ารวยแค่ไหนนะ วันหนึ่งก็อยากกินโน่นกินนี่อาหารไทยๆอย่างนี้นะกินแต่อาหารต่างชาติไม่มีความสุขหรอกงั้นพยายามมีศีล น, นะรักษาศีลการรักษาศีลเนี่ยถ้าจะรักษาให้ตรงเป้านะก็ต้องรักษาใจไม่ให้กิเลสครอบงําคนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงําใจความโกรธเกิดขึ้นก็ไปทําร้ายร่างกายเขา ไปทำร้ายทรัพสมบัติเขาทำร้ายคนที่เขารักไปทำร้ายชื่อเสียงเกียรติยศเขาความโลภเกิดขึ้นก็ไปทำร้ายเขาได้หมดอีกทั้งสี่ข้อนะความหลงเกิดขึ้นก็ทำร้ายความหลงนี่ร้ายที่สุดเลยนะอย่างเราโกรธใครสักคนนะเราฆ่ามันตายฆ่าได้คนสองคนเวลาความหลงเกิดเนี่ยนะมันรุนแรงมากเลยฆ่ากันเป็นล้านๆเพราะความหลงนะรุนแรงที่สุดเลย ทำไมฮิเลอร์ฆ่ายิวฮิเลอร์ฮเลอร์ไปฆ่ายิวฮิเลอร์คิดว่าชนชาติยิวนี่เร็วนี่เป็นความเชื่อเป็นโมหะอย่างหนึง่งนะชนชาติอารยันเท่านั้นดีนะชนของตัวเองดีคนอื่นเร็วหมดต้องปราบให้หมดทำลายให้หมดนะหรือรัธทีการเมืองต่างกันก็ฆ่ากันไม่ได้โกรธกันเลย บางทีเป็นเพื่อนกันก็ฆ่ากันได้นะเพราะเชื่อขุลาค่คนไทยเองก็ทะเลาะกันเองในบ้านเดียวกันน่ะพ่อแม่ลูกตีกันก็มีนะหลวงพ่อได้ฟังด้วยความสลดสังเวชเออนะโมหะอันเดียวไปยึดถือรุนแรงแต่ว่าถูกกับผิดมันมีนะไม่ใช่ไม่มีนะถูกกับผิดมันมีก็ต่อสู้ด้วยเหตุด้วยผลได้พระเจ้าไม่ได้บอกว่าชั่วกะดีแล้วเสมอกันนะ ชั่วต้องไม่ทำดีต้องทำคนชั่วต้องข่มไว้ไม่ให้เมียมนาจคนดีต้องสนับสนุนเขาขม่มควรที่ควรขม่มชมคนที่ควรชมเลยนะแต่ไม่ใช้ทำด้วยความหลงผิดโมหะเนี่ยตัวร้ายทำลายมนุษยชาติได้รุนแรงขมกเหมนแดงฆ่าคนเขมนไปตั้งหลายล้านทำได้ยังไง ว่างมงายในรัที่ของตัวเองจับคนมาบูชายันจับสัตว์มาบูชายันเนี่ย ง, งมงายเลวไหลเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นเพื่อว่าตัวจะสบายอะไรเงี้ยราคาโทสะโมหะสามตัวนี้แหละทําให้เราผิดศีล ร, ราคาโทสะโมหะจะเกิดได้ถ้าเราขาดสติเมื่อเราขาดเจริญสตินะ วิธีเจริญสติคือคอยร <im> ู้ทันกิเลสได้เกิดขึ้นคอยรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้มันรู้อยู่ที่ไหนรู้อยู่ที่ใจเทานี้เองกิเลสมันเกิดตอนไหนตาตามองเห็นกิเลสก็เกิดที่ใจหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจกิเลสไม่เกิดที่อื่นกิเลสไม่เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายกิเลสเกิดที่ใจที่เดียว ดังนนมีสติรู้เท่าทันใจของตัวเองไว้กิเลสเกิดไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดกิเลสเกิดปุ๊บรู้ทันปับ๊บกิเลสตับไม่ต้องพูดคำว่าศีลอีกต่อไปแล้วจิตมันเป็นปกติเลยเป็นศีลแท้เลยศีลตัวนี้มีข้อเดียวไม่ใช่มีห้าข้อคือเป็นความปกติของใจที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำเป็นศีลชั้นสูงเลยส่วนศีลเบื้องต้น ยังไม่มีสติก็าอาศัยความตั้งใจไว้ก่อนทุกวันตื่นนอนมาตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลห้าก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นก่อนจะนอนตั้งใจไว้จะรักษาศีลห้าเอาให้ได้วันละห้ารอบลงตั้งใจวันละห้ารอบแล้วยังทําผิดศีลอีกนั่นก็ยอดมนุษย์ละสุดสุดยอดแล้ะตั้งใจไว้บ่อยๆเบือบ้องต้น่ะไม่ต้องไปขอที่พระขอที่ตัวเองนี่แหละ ขอขอตั้งใจเอาเองทําได้ไม่ใช่บอกวันละหรอบโอ้ยเหนื่อยตายหรือวิ่งไปหาพระวันละห้ารอบเนี่ดีไม่ดีพระสึกเลยพ ร, พระก็ทนไม่ไหวโยมมาขอศีลเยอนะนียงั้นตั้งใจเอานะตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลห้าเพราะศีลห้ามีคุณมีประโยชน์อย่างน้อยเราก็เป็นมนุษย์ที่มีเครดิตที่ดีนะน่าเชื่อถือเป็นมนุษย์ที่ไม่เบียดเบียนคนอื่น เป็นมนุษย์ที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยการทําผิดศีลข้อหนึ่งสองสามสี่ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการทําผิดศีลข้อห้อกาก็ฉลาดขึ้นมาเยอะละลองไปทําดูนะเราจะพบว่าชีวิตมันจะดีขึ้นคนที่เคยทําสมาธิแล้วไม่สําเร็จนะทําสมาธิยากลองไปถือศีลให้ต่อเนื่องสักเดือนสองเดือนสิแค่คิดถึงว่าเราได้รักษาศีลไมาอย่างดีแล้วสมาธิเกิดเองเลย เกิด อ, อัตโนมัติเลยเรียกว่าศีลานุสติตามระลึกรู้ถึงศีลที่รักษาไว้ดีแล้วศีลานุสติไม่ใช่ทําผิดศีลทุกวันแล้วก็ระลึกไปเรื่อยบอกเนี่ยระลึกถึงศีลว่าได้ขาดไปแล้ว <c oughs> อย่างนี้นะสมาธิไม่เกิดหรอกเอาไปกินข้าวไปฝึกไปเลยนะฝึกรู้ทันราคาเกิดเช่นโลภเห็นไข่พะโล่จะกินสองลูกอย่างนี้อนะ รู้จะเข้าห้องน้ำคนมาปาดหน้าเราโกระคอยรู้ทันไปนะหัดรู้กิเลสไปเรื่อยแล้วสติจะเกิดสติเกิดแล้วกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลจะเกิดนิมนต์นะครับ